อีกองหนึ่งเลยนะว่าคาถาที่26ได้ยินว่าพระราชโอรสของพระเจ้าพาราณสีทรงอภิเสกแล้วในกาละแต่ทรงพระเยาวนั่นเทียวสเสวยราชสมบัติคิดว่าเป็นกษัตริย์หนุ่มมากเลยนะพระองค์ก็สเสวยสิริราชสมบัติดุดพระประเจกโพธิสัตว์ที่กล่าวมาแล้วในคาถาแรกวันหนึ่งพระองค์ก็คิดว่าเราสเสวยราชสมบัติย่อมทําทุกแก่มหาชนจะมีประโยชน์อะไรด้วยบาปอันนั้นเล่า จะมีความสุขาจะหมายความว่าถ้ามีอำนาจมากก็เอาอำนาจไปทำอะไรใช่ไหมอำนาจเหล่านี้ก็คืออะไรฆ่าคนที่สมควรฆ่าก็แปลว่าอำนาจไว้ทมปานาติบาสองริบคนที่ควรริบริบก็แปลว่าอาธินาทานเนี่ยนะทีนี้ถ้าอีกอย่างหนึ่งก็มีอำนาจไว้ทำกาเมโดยที่ไม่มีใครทักทวงได้เป็นต้น นะครับนะเรียว่าด่าคนอื่นได้อะไรได้ดื่มน้าเมาเอะอะโวยวายที่ไหนก็ไม่มีใครกล้าอะไรเนี่ยนะท่านอํานาจโดยมากเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนที่ไม่ดูโดยธรรมก็มีอํานาจไว้ทําอาตทำเอาไว้ทําบาปทําอาคุณน้องก็เลยคิดว่าโหเนี่ยถ้าเรามีอํานาจอยู่แบบนี้นะทำแต่ทุกข์ให้แก่ชนเป็นอันมากไอ้ทำความทุกข์ให้แก่ชนอื่นเทศเช่าใดบาปก็มาถึงตัวเท่านั้นประโยชน์อะไรด้วยบาปอันนี้เนี่ยนะยิ่งทำมายิ่งทํานานทํามากบาปก็มา เรียกว่าเพื่อประโยชน์แก่การเสวยคนเดียวเล่าว่าไงเถอะเรียกว่าทำบาปมากมายแต่รับแต่คนเดียวเนี่ยนะทำทุกมากมายแต่รับบาปแต่คนเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจักยังสุกใหญ่ให้เกิดหาความสุขอื่นดีกว่าสุขที่เกิดจากฌานมรรคผลนิพพานดีกว่าสละราชสมบัติออกบวชเจริญวิปัสสนาทำให้แจ้งปัจเจกับโพธิญาณตรัสเป็นคาถาว่าบุคคลละบุตรภริยาบิดามารดาทราัพยเข้าเปลือกพวกพ้องและกาม ซึ่งตั้งอยู่ตามส่วนแล้วเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหนอแรดเหมกันก็คือละละทั้งหมดนะละทรัพย์ทรัพย์มีอะไรบ้างละทรัพย์ธนานี้ น, นนะละทรัพย์ก็คือแก้วมุกดาแก้วมณีไพลทูลสังศิลาแก้วประพานเงินทองเป็นต้นละธั ญ, ญชาติคือข้าวเปลือกก็คือพวกอปรณชาติข้าวสาลีข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวละมานข้าวฟ่างลูกเดือยยา ก, กับแก่หรือละพวกพ้องญาติมิตร ละทั้งหมดเนี่ยนะก็เรียกว่าละตามส่วน อ, อน่าคิดนะเขาก็ตามส่วนเนี่ยแปลว่าอะไรน่าคิดนะละตามส่วนตามส่วนนั้นพระสาริบุตรอธิบายว่าคําว่าตามส่วนความว่าไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลส ท, ที่ละได้ด้วยโสดาปฏิมาอันนี้คือกันละตามส่วนนั้นโสดาปฏิมาละได้เท่าไหร่ไม่ย้อนกลับมาหา อันนั้นอีกแล้วเหมือนคาว่าสุขโตนะผู้เสด็จไปดีแล้วก็คือถ้าไปด้วยโสดาปฏิมาไม่ย้อนกลับมาหากิเลส ท, ที่โสดาปฏิมาระแล้วไม่ย้อนกลับมาหาสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลพระตปรามากไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลส ท, ที่ละด้วยสกต า, าคามีมักคือไม่กลับมาหา การมราคะและพยาบาทอย่างหยาบไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละแล้วด้วยอนาคามีมากก็คือไม่กลับมาหาการมราคะพยาพยาบาทอย่างละเอียดนั่นเองไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละไล่แล้วด้วยอรหัตตมัรต์นี่นะก็คือละรูปปราคาอรูปปราคามานะอุทจารและอวิชชาอากุศลธรรมที่เหลือโดยประการทั้งปงวงเทวะละกิเลสอย่างหยาบด้วยละ สกกะกิเลสที่เป็นไปตามทิฏฐิด้วยอนาะโสดาปฏิมรละกิเลสอย่างหยาบด้วยสกะทาคามิมรละกิเลสอย่างละเอียดด้วยอนาคามิมรละกิเลสที่เหลือทั้งหมดด้วยอรหัตตมรเรียกว่าละตามส่วนของมรคือเรียกว่าละตามสัดส่วนนะโสดาปฏิมรละได้แค่ไหนสกะทาคามิมรละได้แค่ไหนอริยมรเหล่านั้นก็ทําแล้วแต่กิจนะเพราะว่าโสดาปฏิมรก็ทําปริญญากิจนะทำปริญญาน้อยก็ละได้น้อยทําปริญญามากก็ละได้มาก เพราะรเพราะทำให้แจ้งพระนิพพานเป็นที่สิ้นทุกสิ้นทุกตามสัด ส, ส่วนเหล่านั้นนั่นเองพระประเจกับพุทธเจ้าพอบวชแล้วท่านก็ บ, บอกว่าละบุตรภรยาทาระนี่แปลว่าภริยานะ น, นละบุตรละทาระละบิดามารดาละทรัพย์ธรรญชาติพวกพ้องและละกามทั้งหลายตามส่วนใครว่าละในที่นี้ก็คือตัดใจได้ด้วยอริยมรรคทั้งหลายเนี่ยนะไม่ใช่ละแต่กาย แล้ก็เที่ยวไปด้วยอริยมรรคผู้เดียวก็คือตรัสบวชผู้เดียวยืนเดินนั่งนอนแต่เพียงผู้เดียวบรรลุปเป็นพระประเจกับพระเจ้าแต่ผู้เดียวแล้วก็เที่ยว เ, เป็นไปเหมือนกับหนอแรกฉะนั้นอนะนอแรกไม่มีหลายนอนะมีหนอเดียวเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะเชิาน